วันนี้เป็นวันพระรหัสสั บ, บดีที่17ตุลาคมพุทธศักราช2567เป็นวันปวารณาออกพรรษาคำว่าปวารณาออกพรรษานี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นวันออกพรรษา เพราะว่าวันนี้ยังเป็นวันสุดท้ายของพรรษาอยู่วันออกพรรษานั้นเป็นวันพรุ่งนี้แต่การปรวานาออกพรรษานี้มีความหมายว่าพระภิกษุที่อยู่จามนสาร่วมกันตลอดระยะเวลาสามเดือนก่อนที่จะออกพรรษาจะทําการปรวานาตนคําว่าปวานาตนก็คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ว่ากล่าวตักเตือนตำหนิติเตียนถ้าเห็นคดีได้ยินคดีสงสัยคดีในการกระทำของพระภิกษุว่าไม่ตรงกับพระธรรมวินัยเป็นต้นก็ขอให้ได้โปรดว่ากล่าวตักเตือนด้วย คือพระทุกรูกจะกล่าวคำประวานาต่อหน้าประชุมสงฆ์ตั้งแต่พระเถระองค์แรกลงมาจนถึงพระองค์สุดท้ายทุกรูปจะต้องมีการเปิดโอกาสให้มีการว่ากล่าวตักเตียนกันได้ติเตียนกันได้ถ้ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง นี่คือความหมายของคำว่าปรานาการที่เราว่ากล่าวตักเตือนกันได้นี้จะเป็นการช่วยเหลือกันไม่ได้เป็นการทำร้ายกันถ้าเราบางทีทำความผิดที่เราไม่รู้ว่าผิดก็ดีหรือที่เราไม่เห็นก็ดีบางครั้งเรามักจะไม่ได้เห็นการกระทำของเราเพราะเราชอบไปดูการกระทำของผู้อื่น พ อ, อการกระทำของเราไม่ถูกไม่ต้องเราก็ไม่รู้แต่ผู้นี่เขาเห็นเขารู้ว่าการกระทำของเราไม่ถูกไม่ควรถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้เขาว่ากล่าวตักเตือนเราเขาก็จะไม่กล้าบอกเราเพราะกลัวจะทําให้เกิดความโกรธขึ้นมาได้แต่ถ้า มีการปาวานาตนเองมีการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตำหนิติเตียนตนได้เวลาที่ตนเองทําอะไรผิดไม่ถูกไม่ควรก็จะได้มีผู้รู้ช่วยว่ากล่าวตักเตือนเพื่อที่จะได้แก้ไขการกระทําที่ไม่ชอบนี้ให้เป็นการกระทําที่ถูกต้องต่อไปนี่คือหลักของการ อยู่ร่วมกันของพระภิกษุเพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นความสำคัญของการว่าก่าวตักเตือนกันเพราะการว่าก่าวตักเตือนนี้เป็นเหมือนกับการชี้ขุมทรัพย์เป็นเหมือนกับกระจกสองหน้าเวลาที่เราแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทำความสะอาดร่างกายเมื่อเราทาเสร็จแล้วเราก็ยังต้องมองดูที่กระจกสองหน้าเรา ดูว่าหน้าตาเราสะอาดไหมเท่าผมที่เราหวีเรียบร้อยไห ม, ไมถ้าไม่มีกระจกเราเราก็จะไม่รู้ว่าหน้าตาเราตอนนี้เป็นอย่างไรสะอาดหรือไม่สะอาดนี่คือการว่าก่าตักเตือนเป็นเหมือนกระจกเงาส่อ ง, งดูพฤติกรรมของพวกเราทุกคน ถ้าเราไม่มีกระจกสองเงาบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราทําผิดหรือทําถูก <Yeah. S 1> ถ้าเราทําผิดแล้วไม่มีใครว่ากล่าวตักเตือนเราอาจจะคิดว่าเราทําถูกก็ได้แล้วถ้าเราคิดว่าเราทําถูกเราก็จะทําไปเรื่อยๆการทําผิดนี้ก็จะไม่สามารถนําพาเราไปสู่เป้าหมายของการประพฤติปฏิบัติทำได้ พรการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ต้องเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเช่นมรรคแปดเนี่ยสัมมาสัมมาแปลว่าความถูกต้องสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังคโปความคิดที่ถูกต้องสัมมากรมมโตการกระทาที่ถูกต้องสัมมาวาจาการการพูดที่ถูกต้อง สัมมาอาชีโวโอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายามโมความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติการระลึกรู้ที่ถูกต้องความ ส, สัมมาสมาธิความตั้งมั่นของของจิตที่ถูกต้องอการกระทำที่ถูกต้องนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จ ของการประพฤติปฏิบัติธรรมคือจะนําไปสู่การรรุมรรคผลนิพพานตามลําดับไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีการกระทําที่ไม่ถูกต้องทําผิดไม่ได้ทําถูกการที่จะรับผลคือการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะไม่เกิดขึ้นมานั่นเองนี่คือความสําคัญของการที่ มีมีการว่ากล่าวตักเตือนกัน <ฮะ S 2> นี่คือความหมายของวันปวานาคือวันนี้วันวั น, ว, นวันสุดท้ายของพรรษายังไม่ได้ออกพรรษาถ้าท่านผู้ใดได้อธิษฐานจิตว่าพรรษานี้<ฮ>ะจะทำบุญทุกวัน <ฮะ S 2> วันนี้ก็ยังต้องทำยังหยุดไม่ได้ถ้า อธิษฐานจิตว่าจะรักษาศีลวันนี้ก็ยังต้องรักษาศีลอีกวันหนึ่งยังหยุดไม่ได้ถ้าอธิษฐานจิตว่าจะนั่งสมาธิก็ต้องนั่งมันต้องทําต่อในวันนี้หรืออธิษฐานว่าจะฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ําเสมอก็ยังต้องทําต่อในวันนี้เพราะยังไม่ได้ออกพรรษา วัาออกพรรษานั้นเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นประมาณหกโมงเช้า mm hmm. อันนั้นก็จะเป็นการสิ้นสุดของการอยู่จําพรรษาของปีนี้ mm hmm. mm hmm. เมื่อออกพรรษาแล้วถ้าจะไม่ได้ทำ mm hmm. สิ่งที่ได้อธิษฐานไว้ว่าจะทำในพรรษา mm hmm. ก็ไม่ผิดแต่อาการใด mm hmm. แต่ถ้าวันนี้ เลือกทําในสิ่งที่เราได้อธิษฐานไม้ว่าจะทําอันนี้ก็จะถือว่าผิดเพราะว่าความเข้าใจผิดที่คิดว่าวันนี้เป็นวันออกพรรษาวันนี้เป็นวันสุดท้ายของพรรษาวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเนี่ยเป็นวันสุดท้ายพอวันแรมหนึ่งค่ำคือพรุ่งนี้ถึงจะเป็นวันออกพรรษา เรื่องของการว่ากล่าวตักเตือนกันนี้เป็นการชี้คุ้มทรัพย์ให้กันและกันเพราะความผิดนี้จะทำให้เราได้ยคุณค่าในตัวของเราเองทำลายผิดๆแล้วก็จะมีคนมีคนไม่ไม่สรรเสริญไม่ยินดีไม่สนับสนุนแต่ถ้ามีการกระทำที่ถูกแก้ไขการกระทำที่ผิดได้ ก็จะทำให้การกระทาของตนนี้มีคุณค่าขึ้นมามีราคาขึ้นมาเพราะการกระทาที่ถูกนั้นย่อมนำมาซึ่งความสุขและความเจริญนั่นเอง<ม>นี่คือเรื่องของการมีการปวารณาเอาอพันษา<ม><ม>เพื่อไม่ให้เราถือตัวถือว่าเราถูก คนอื่นมาว่าก่าตำหนิ้ตีเตียนเราไม่ได้ใครจะว่าเก่าวตีเตียนเปิดโอกาสให้เขาว่าส่วนเรามีหน้าที่ฟังเราก็ฟังไปแล้วเราก็พิจารณาดูว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ถ้าเป็นความจริงการกระทาของเรามันไม่ถูกเราก็จะได้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ถูกต่อไปการการชี้โทษการบอกความผิดนี้เป็นการชี้ขุมทรัพย์ทางาศาสนาให้คิดวไว้อย่างนี้ว่าเป็นการทำให้เรานี้ทำลายกำจัดสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเราเมื่อเรากำจัดมันได้มันก็จะทำให้ตัวเรามีคุณค่าขึ้นมาน การทำความดีนั้นมีคุณค่าทำความผิดทำความชั่วนี้มีแต่โทษตามมานั่นเอง<ม>นี่ก็คือเรื่องของการปรวาวณาออกพรรษาที่จะเกิดขึ้นในทุกวัดของของประเทศไทยและวัดที่อยู่ต่างประเทศพระภิกษุที่อยู่ร่วมกันก็จะมาประชุมกัน แล้วก็มากระทำการประวานาตนวันนี้เนื่องจากฝนตกได้ไม่ได้พูดธรรมะมากนักแต่ก็ได้นั่งสมาธิกันก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์อีกแบบหนึ่งสำหรับเวลาสำหรับวันนี้ก็คิดว่าหมดเวลาแล้วก็จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราริภุเรนติสาขลังเอวเมวอิโตทินังเตตานังอุปการปฏิอิชิตังปะิตังตุมหังคิปเมวะสนิจจโตสัพเพปุเรนตุสังขปา จันโทปนะหระโสยถามณิชตีหราโสยถาสพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิศนิจจังวุทาปะจายโน จตาโรโหทมาวาทานติอายุวันสุขังภาลังช่วงต่อไป น, นี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามนะก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกที่สุดเพราะว่า หลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวก mm hmm. ถ้าอยากถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ mm hmm. วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กลาบนมรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานุาคติจากทาง f a c e b o o หนึ่งห้าสิบหกท่านทาง YouTube พระอาจารย์สองสิบี่ท่านทาง u t u b e ดรวี ย6หกท่านวิทยุออนไลน์แท่านครับฮาวสองสองท่านนักกุติหนึ่งยหกสิบท่านรวมทั้งหมดเป็นห้ารอยเก้าสิบหกท่านเจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมานักกุติเจ้าค่ะถามเข้ามาว่ากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูมีข้อสงสัยเวลาเราทำบุญทำทานแล้ว ไม่รู้สึกมีความสุขมากทั้งที่ทำมากขึ้นเป็นเพราะว่าเราเคยได้รับความสุขจากกาปรปลีกวิเวกและทำใจให้สงบมาก่อนแล้วหรือเปล่าคะเลยทาให้รู้สึกว่าการทำทานเป็นเหมือนความสุขเล็กน้อยกราบขอบคุณค่ะถูกต้องถ้าเราได้สัมผัสกับความสงบจากการภาวนาแล้วมันก็จะเห็นความแตกต่างกันระหว่างการทำทานกับการภาวนา นั่นก็เป็นธรรมดาที่ <c oughs> ที่เราจะไม่ค่อยรู้สึกประทับใจเหมือนกับเราได้จากการทำใจให้สงบพอลดของความสงบเหนือกว่ า, วาความความสุขทั้งปวง <c oughs> แต่ก็ไม่ด้หมายความว่าเราไม่ควรทำบุญทำทาน <c oughs> ถ้ามีเหตุ <c oughs> มีเวลาเ <c oughs> ช่นช่วงกระถินเอย <c oughs> ช่วงอะไรเอ่ย <c oughs> ที่มีการจำเป็นที่จะต้องช่วยทํานุบำ ร, รุงพระพุทธศาสนา เราก็ควรจะทำถ้าเราถ้าเรามีปัจจัยมีเงินทองกำลังที่จะทำได้<ม>แต่โดยหลักแล้วเราก็จะอาศัยความสุขที่เกิดจากการภาวนาเป็นหลัก<ม>ส่วนการทำบุญทงทานอาจจะทำไปตามตามเหตุที่จำเป็นเช่นทางวัดขาดแคลนข้าวของอะไรต้องป ฏ, ฏิกรณยารสังขารบูรณะซ่อมแซมอะไร<ม><ม>ต่างๆ เราก็ช่วยกันเบิจากไปแต่ถ้าไม่มีเหตุอะไรเราก็อาจจะไม่ต้องทำํำก็ได้เราหาเอาบุญเอาความสุขจากการภาวนาไปแทนยิ่งถ้าเราไปบวชแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาทําบุญทําทานเพราะถ้าเป็นนักบวชก็หมายถึงไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่จะมาใช้นะเพราะต้องสละให้หมด เจ้าค่ะจากคุณไบยกค่ะณปัจจุบันสิ่งที่ลูกได้จากการนำคำสอนของพระอาจารย์มาปฏิบัติคือลูกเข้าใจรู้ทันสภาวะของความคิดอันจะไปทางอากุศลได้ไวขึ้นและลูกตัดความคิดนั้นด้วยพุทธานุสติความคิดนั้นก็หายไป <c oughs> ขอให้ค่ะวนลุกแบบนี้ในแต่ละวันแบบนี้คือจุดเริ่มแต่ลูกไม่กาหนดว่า ต้องไปถึงตรงนั้นแบบนั้นนะแต่จิตใจลูกคือเป็นปกติมากขึ้นคิดแบบนี้ได้หรือไม่เจ้าคะและนี่คือทางเดินที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเจ้าคะก็ควรจะทำไปจนกว่าเราจะสามารถหยุดความคิดต่างๆได้เป็นส่วนใหญ่ใจเราว่างใจเราเย็นใจเราสงบเป็นส่วนใหญ่คิดบ้างเท่าที่จำเป็นจะต้องคิดสิ่งที่ไม่จาเป็นจะคิดเราก็จะไม่คิด หรือถ้าจะคิด ก, ก็ให้คิดไปในทางรมคิดไปในทางอนิจจังทุกขงังอนัตตา<ม> is, เห็นอะไรก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจังเป็นของไม่เทีย่ยวเห็นอะไรก็ <Quran. S 2> <amazing>, พิจารณาว่าเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราที่แท้จริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่วันหนึ่งเราก็ต้องคืนเจ้าของไปเจ้า<ม>ของก็คือดินดินน้ำลมไฟนี่เองถ้าจะคิดก็ให้คิดทางปัญญา อย่าไปคิดทางโลกอย่าไปคิดว่า อ, อยากจะได้เงินทักล้านสองล้านไปเที่ยวไปกินไปดืม่มอะไรอย่างนี้ถ้าคิดแบบนี้แล้วมันก็คิดไปทางกิเลสต้องระงับการคิดที่จะไปทางโลกกระทํำให้ได้ราบยศชะลเสริญความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสต่างๆพอเราคิดถึงโลกกระทำเมื่อไหร่ก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจัง ท, งทันทีมันไม่เที่ยงมันมีเจริญมันก็มีเสื่อ ม, มได้ เวลมันเสื่อมมันก็จะทําให้เราทุกข์เวลาเงินทองหมดไม่พอใช้เวลาต้องถูกเขาปลดออกจากยศจากตําแหน่งอะไรต่งตางๆมันก็จ ะ, ะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมางั้นให้เราอย่าไปหาอย่าไปอยากได้อะไรในโลกนี้เลยเพราะมันเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์ว่ามันเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้มันเป็นของเราไปได้ตลอด สู้อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับการทาใจให้นิ่งให้สงบอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันไม่มีพิษไม่มีภัยเจ้าค่ะของคุณใบ ย, ยกต่อเจ้าค่ะเพราะบางวันลูกจดจ่อว่าวันนี้ต้องถึงสภาวะของอุเบกขาแต่กลับไม่ถึงเพราะวันไหนลูกไม่กำหนดปล่อยสบายๆกับถึงบุบบุเข้าไปง่ายดายเจ้าค่ะ จะเข้าได้ไม่ได้มันอยู่ที่สตินถ้ามันยังเข้าไม่ได้ก็เราก็ต้องหมั่นเจริญสติให้มากขึ้นอย่าไปรอให้มันเข้าเองซึ่งมันยากที่มันจะเข้าเองได้แต่ถ้าเรามีสติเช่นคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆโอกาสที่มันจะเข้าสู่ความสงบสู่ความนิ่งเฉยนี่มันก็จะเป็นไปได้ง่ายกว่าดงั้นต้องขยันเจริญสติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับ แล้วต่อไปจิตเราจะเป็นอุเบกขาตลอดเวลาเช้าค่ะจากคุณอาอินบิน้อมกราบเรียนถามพระพิสุปปวารณาแล้วอยู่จำพรรษาวัดใดวัดหนึ่งแต่ได้เดินทางไปต่างประเทศกลับมาไม่ทันวันสุดท้ายคือวันออกพรรษา น, นี้พระทุกนั้นจะผิดธรรมพวินัยไหมครับ ก็ท่านอยู่จำพรรษาที่ไหนนี้ท่านก็ให้อยู่ที่นั่นตลอดสามเดือนถ้าจะไปธุระก็ไปได้ไม่เกินเจ็ดวันถ้าเกินเจ็ดวันก็ถือว่าขาดพรรษายังไม่มีคาถามเข้ามาเจ้าค่ะการอยู่จำพรรษานี้ก็เพื่อแก้ปัญหาที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนาชาวไร่ เพราะในยุคสมัยพุทธการพระท่านจะเดินเดินไปไหนมาไหนด้ว ย, ด, วยด้วยการเดินเท้านะท่านจะไปหาที่วิเวกที่สงบไปภาวนานะบางทีก็ต้องเดินลัดทุ่งลัดนาไปนะนี้ในช่วงที่มีช่วงฤดูฝนนี้ก็เป็นช่วงที่เขามีการเพานะปลูกข้าวอะไรต่างๆนะพระบางทีก็ไม่ไม่พิ จ, จารณาก็เดินลัดไป ก็เลยไปทําให้ข้าวที่เขาปลูกนั้นเกิดความเสียหายขึ้นมา mm hmm. ชาวนาะ mm hmm. เพื่ก็เลยมาฟ้องพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้าโปรดพิจารณาแก้ปัญหานี้ให้ด้วย mm hmm. เออพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาแล้วก็เห็นว่าพระภิกษุ ค, ควรจะหยุด mm hmm. การเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงเข้าพัรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนเป็นช่วงฤ ด, ดูฝนเป็นช่วงที่มีการเพาะปลูกข้าวต่างๆ นี่ก็คือที่มาของการอยู่จำพรรษาก่อนหน้านี้ก็ไม่มีเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีพระน้อยมากมก็เลยไม่มีปัญหาแต่พอศาสนามีคนรู้จักมากขึ้นมีคนศรัทธามากขึ้นมีคนมาบวชมากขึ้นก็เลยอาจจะทำอะไรไปแบบที่ไม่รู้สึกตัวว่าผิด นี่คือประโยชน์ของการมีการภราวนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้คอยคอยว่าล่าวตักเตือนพราภิกษุตอนที่สมัยเริ่มประกาศพระพุทธศาสนาใหม่ๆนี้ไม่มีกฎไม่มีข้อห้ามเลยนะเพราะว่าพ้าส่วนใหญ่ที่มาบวชเป็นพระอาหารหันต์กันนะท่านสิ้นกิเลสท่านมีปัญญาท่านรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแต่อย่างใดแต่ต่อมาเมื่อคนมีศรัทธามากขึ้น แล้วก็ยังไม่ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์กันเป็นปุถุชนธรรมดามาบวชก็เลยไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรไม่ควรก็เลยมาทําอะไรที่มันไม่ไม่ถูกก็มีคนมาฟ้องพระพุทธเจ้าพอมีคนฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตั้งตั้งข้อห้ามไว้เรียกว่าปาติโมกหรือศีลศีนของพระขึ้นมาว่าห้ามทําอย่างนั้นห้ามทําอย่างนี้นะเออ แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆมีคนมาร้องเรียนกระพิจารณาถ้าเห็นว่าคนที่จะห้ามก็ห้ามจากกนกระทั่งห้ามได้ถึง227ข้อด้วยกันพ <Yeah. S 1> อามามีพระไม่รู้ประศีภาษาไม่รู้ว่าวิธีการที่จะอยู่แบบพระอยู่แบบสำลวนอยู่อย่างไรก็ <Yeah. S 1> มักจะไปทําอะไรตามนิสัยของค า, ารวะที่เคยทํามาพ <Yeah. S 1> อาเป็นพระแล้วมาทําแบบค า, ารวะมันก็ไม่สวยงาม ก็เลยมีคนไปร้องเรียนพระพุทธเจ้าก็พิจารณาแล้วก็ห้ามเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ถึงวันนี้อาจจะมีถึงศีลเป็นพันข้อก็ได้พอเห็นชาวบ้านญาติโยมบ่นกันแล้วก็นี่พระสงฆ์ทำอย่างนี้ได้หรือเปล่านะทาอย่างนั้นได้หรือเปล่านะนี่มันไม่มีพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีใครมาตั้งกฎข้อตั้งระเบียบได้เพราะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่เป็นพระศาสดา ที่เป็นผู้กำหนดพระธรรมวินัยขึ้นมาก็เลยเอาแค่227ข้อไปส่วนข้อไหนที่ไม่ถูกก็อาจจะมีการประชุมของพระมหาเถระสมาคมแล้วก็อาจจะออกกฎระเบียบออกมาก็มีก็ไม่ทราบว่าจะมีน้ำหนักพอหรือไม่ก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของ ถาปฏิโม่เรื่องของศีลของพระเรื่องของการชำพันษาเมื่อมีอะไรที่เกิดเหตุทำให้เดือดร้อนขึ้นมาชาวบ้านก็ต้องมาร้องเรียนพระพุทธเจ้าก็พิ จ, จารณาแล้วก็สั่งห้ามไปตามตามเหตุตามผลมีคำถามต่อไหมเจ้าค่ะมีถามมาทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะว่า การแอบปล่อยกระรอกที่คนมาขังในกรงในวงเล็บกระรอกกวนกวยมากไต่วนทิศเดียวเป็นวงล้อตลอดผิดไหมคะถ้าขโมยทำเพื่อคืนอิสรภาพให้กระรอกถ้าเป็นของของเราแล้วเขาคนหนึ่ก็มาทำเราจะคิดยังไงบ้างยิ่งถ้าเป็นกระรอกแพงๆซื้อมาเป็นราคาหมื่นอยู่ดีๆก็มีคนมาเมตตาปล่อย <laughs> <laughs> มือนก็เหมือนก็เป็นความอะไนการกระทาที่ดีแต่ประสง <c oughs> ค์ร้ายคือความปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายเพราะจะทําให้เจ้าของเขาเสียใจหรือโกรธได้แล้วอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมต่อไปได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะรับเวรรับกรรมก็ทําไปนะอันนี้ก็แต่เจ้าของก็อาจจะมาเรียกร้องค่าเสียหายอะไรที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียทรัพย์สินข อ, ของเขาก็ได้ อาจจะเคล่อนนงขึ้นสารกันก็ได้เขาต้องทําอะไรก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่า <Yeah. S 2> อการกระทํานี้ mm hmm. เกิดโทษเริ่มหรือไม่เกิดโทษตามมาถ <Yeah. S 1> ้าการกระทํานี้แต่คุณมีแต่ประโยชน์ไม่เกิดโทษก็ทําไป <Yeah. S 1> แต่ถ้าทําไปแล้วประโยชน์ก็มีแต่โทษก็มี <Yeah. S 1> เราก็ต้องพิจารณาว่าเราเรายินดีเราพร้อมที่จะรับโทษที่จะตามมาหรือไม่ yeah. เจ้าค่ะคำถามทาง Facebook เจ้าค่ะสามีเสียชีวิตแต่มีเสื้อผ้าของสามีเราต้องทำอย่างไรกับเสื้อผ้าของสามีเจ้าค่ะก็ไปแจกคนยากจนได้คนยากจนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าเนี่ยเจ้าค่ะคำถามจากทาง YouTube ขอเรียนสอบถามเจ้าค่ะการที่จะทำให้อินทรีย์แก่กล้าเพิ่มขึ้นนั่งสมาธิได้นานขึ้น ต้องอาศัยการเพิ่มสมาธิในชีวิตประจําวันใช่ไหมเจ้าคะก็ต้องอาศัยการเจริญสติก่อนเพราะการนั่งสมาธิโดยไม่มีสตินี่นั่งยังไงก็ไม่สงบต้องมันเจริญสติก่อนมีกรรมฐานเป็นอารมณ์ปูกใจไว้เช่นพุทธานุสติก็พุโทโธพุธโทโธไปกายะกะตาสติก็ดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายอันนี้ในช่วงที่เราไม่ได้นั่งสมาธิ พอเรามานั่งสมาธิเราจะดูลมแทนก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกแล้วใจก็จะนิ่งใจจะสงบถ้าใจมีสติอยู่กับลมหายใจถ้าใจยังลอยไปลอยมาอยู่นั่งไปก็ยังไม่สงบยังต้องพยายามฝึกสติให้มากๆให้ใจไม่ลอยก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิไม่ฟุ้งก่อนถ้ายังฟุ้งอยู่ยังลอยอยู่ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่พอเวลานั่งสมาธิมันก็จะคิดต่อไป นั่งไปได้สักพักก็ยันทนนั่งต่อไปไม่ไหวเพราะมันรู้สึกปิดอัดเพราะความคิดมันอยากจะลุกอยากจะไปทํานู่นทํานี่ต่อไปเจ้าค่ะคุณเอถามเข้ามาว่าผมชอบใจรอยครับทําอะไรก็ชอบคิดฟุ้งซ่านไม่มีสติตอนทํางานขอพระอาจารย์สอนการใช้สติในชีวิตประจําวันหน่อยครับก็เพิ่งตอบคาถามเมื่อไหร่คถามมาต่อไปเจ้าค่ะ จากคุณจรัญญาขออนุญาตฝากคําถามค่ะการคิดคือตัญหาหรือเปล่าจ้าคะกราบขอพระคุณสําหรับ ค, คําตอบถ้าคิดไปทางกิเลส ก, ก็เป็นปัญหาถ้าคิดไปทางโลภโกรดหลวงก็จะเป็นปัญหาแต่ ถ, ถ้าคิดไปในทางธรรมก็จะไม่เป็นปัญหาเจ้าค่ะจากคุณปุ้ยพีหนิเที่ยวกลาบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราเอารัธนาศีลตอนเช้า ตกเย็นเราสั่งสั่งกินโซลากับเพื่อนแสดงว่าเราผิดศีลแล้วพอเช้าอีกวันหนึ่งเราไปทาบุญอาราธนาศีลใหม่แบบนี้เท่ากับเราผิดศีล ส, สองข้อเลยไหมครับมุสากับดืม่มโซลาเรา ล, ลองก็รู้แก้ใจมาถามเราทาไม <laughs> <laughs> ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ ะ, ะคุณหึิงจะถามอะไรเจ้าค่ะ <laughs> ก, การนมัสการค่ะพระอาจารย์จากบทธรรมจัง ก, กับประวัตินสูตรนะคะพระอาจารย์พูดถึงเรื่องอริยสัจทีนี้พูดถึงทุกทุกมันก็มีทุกทุกทุกจากการเกิดแก่เจ็บตายคือทุกทางกายแล้วก็ทุกทางใจที่ว่ามันจะมีความรู้สึกต่างๆเจ้าค่ะทีนี้ว่าการพิจารณาอันนี้เรารู้แล้วว่าทุกเนี่ยมันก็เกิดจากตรงนี้เจ้าค่ะทีนี้ว่าเวลาในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะ มันก็จะมีทุกข์ต่างๆเข้ามาความไม่สบายกายในแต่ละครั้งที่กระทบกับบางทีเสียงที่เราแบบไม่อยากได้ยินคานินทาอะไรต่างๆหรือแม้แต่ตาที่เราได้ไปเห็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอาไม่ค่อยถูกใจเรานะคะมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทีนี้ว่าหรือว่าเราเจ็บป่วยนะคะ อย่างเช่นว่าโยมเนี่ยเป็นโรคไทรอยด์อ่ะโอเคมันไม่ถึงขนาดเป็นมะเร็งแต่ว่าอเอาน้ําออกไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะโตขึ้นมาอีกสาเหตุก็ยังไม่ไม่รู้นะคะทีนี้ว่าโยมจะคิดอย่างนี้ไปเลยได้ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไปคิดแบบเหมือนกับว่าอเหตุของทุกข์คืออะไรในแต่ละอย่างแต่ละอย่างอะโยมคิดว่ามันจบอยู่ที่ว่าการเกิดไหมเจ้าคะโยมคิดว่าอถ้าเราก็เราเกิดมานี่นแหละมันมีร่างกายร่างกายมันก็ทําให้เราก็เกิดความทุกข์อย่างนี้มีโรคภัยเป็นธรรมดา หรือแม้แต่ว่าการเกิดมาเนี่ยมันก็ทำให้ต้องเจอกับผู้คนที่เราก็ต้องมีความไม่สบายใจบ้างหรือจากการกระทบกระทั่งบ้างเราจบอยู่ที่ตรงนี้ไปเลยได้ไหมคะพระอาจารย์ไม่ต้องมานั่งจี้แต่ละตัวว่าเออวันนี้เราทุกข์นะมาจากไอ้คนนั้นมันพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นหรือว่าเราก็คิดก็เราเกิดมาเนี่ยแหละมันก็เป็นตัวทุกข์อยู่แล้วก็ให้จบตรงนี้เลยถ้าเราะะทาใจได้ก็จบตรงนั้ น, นคืออะไรจะเกิดก็เกิด จะแก่ก็ปล่อยมันแก่จะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บจะตายก็ปล่อยมันตายคนจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเจออะไรก็เฉยๆไปน<ม>ต้องจบที่ด้วยการวางเฉยต้องมีอุเบกขาไม่มีความอยากความทุกข์เราเกิดจากความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากตายไม่อยากให้เขาด่าเราไม่ให้เขาตําหนิเราไม่อยากที่จะไปเจอสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้นมันต้องแก้ที่ความอยาก ในการทําใจให้วางเฉยไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆที่เราไปสัมผัสรับรู้จู่ค่ะก็คือทุกข์มันเกิดมาจากที่เราเกิดมีขันห้าแล้วมันก็เป็นความอยากในระหว่างที่เราใช้ชีวิตความเป็นมนุษย์ด้วย่งที่ทุกข์ก็เพราะเราอยากอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากไม่ได้สิ่งนั้นอยากไม่ได้สิ่งนี้พอเราไปได้สิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็ทุกข์ เราไปเสียสิ่งที่เรารักเราก็ทุกข์ขึ้นมนาะเพราะเราอยากให้สิ่งที่เราเรารักอยู่กับเราไปเรื่อยๆมันมันความทุกข์อยู่ที่ความอยากของเราการเกิดมานี่มันก็เป็นผลพลอยได้จากความอยากของเรามันทําให้พาให้เรามาเกิดเกิดแล้วเราก็ไม่อยากแก่ ก, ก็ทุกข์ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ไม่อยากตายก็ทุกข์อีก แต่ถ้าเรายอมนับว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดท่าจากกันต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบอยอมนับก็คือเฉยเฉยไม่ดิ้นรนไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้มีความอยากไม่ให้มันเกิดนี่เจ้าค่ะมันก็จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ขึ้นมาเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณเจ้าค่ะอาจารย์มีคำถามจากเ c e b o o k เจ้าค่ะว่าขอการครับ จากข่าวดังๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพอรับฟังข่าวเราต้องติผู้อื่นตามข่าวนั้นไปด้วยเราควรจะพิจารณาตัดความคิดนี้อย่างไรดีครับหรือที่ตัดไม่ได้เพราะพลังสติไม่พอครับเออมันชาวยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านเขา เ, เขาจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาให้ทั้บทนี้ไว้ว่าพวกเรามีกรรมเป็นของของตน จะทํากรรมอันใดไว้จะดีหรือจะชั่วก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไป mm hmm. แค่นี้แหละใครเข า, าําดีเดี๋ยวเขาก็ได้รับผลดีแล้วไม่ต้องไป โ, โยกย่องสรรเสริญไปลายครั้งๆทาไม่ดีก็ไปด่าเขาไม่ว่าเขา mm hmm. ปล่อยเขาไปรับผลของเขาเองเถอะเจ้าค่ะคุณแสงชัยถามเข้ามาว่ากระดานเรียนพระอาจารย์ก่อนที่คุณแม่ผมจะเสียชีวิต ด้วยโรคมาเร็งกระผมได้ตั้งจิตอธิษฐานคุณแม่ต้องจากไปขอให้ไปด้วยความสงบโดยข้าพเจ้าขอทิศบุญครึ่งหนึ่งที่ตนเองมีให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณแม่แบบนี้คุณแม่ได้บุญบ้างไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่าบุญแบบนี้ต้องทําเองอยากจะทําให้ใจตายอย่างสงบต้องมีสติต้องทําใจให้สงบหรือมีปัญญาให้ปลงได้ให้ได้ให้วางร่างกายให้ได้ มันก็จะไปอย่างสงบแต่เงิบุญของคนอื่นนี่มามาช่วยเราไม่ได้ถ้าช่วยได้บุญของพระพุทธเจ้านี่ส่งมาให้พวกเราทุกคนนะไยนิพพานกันเลยมันเป็นไปไม่ได้ของใครของมันต้องทำกันเองเจ้าค่ะคุณสมบัติถามเข้ามาว่าไม่ได้ใส่บาทแต่เอาเงินสาธุไว้ใส่กระปุกเมื่อมีโอกาสก็ไปทำบุญทำถูกวิธีหรือเปล่าเจ้าคะ ก็ถูกแต่ต้องเอาไปทำจริงๆนะไม่ใช่ว่าทาใส่กระปุกไว้พอถึงเวลาเงินขานก็มาก่อน <c oughs> ข อ, อยืมไม่ได้นะถือว่าเป็นเงินทำบุญไปแล้ว mm hmm. บุญยังไม่สำเร็จประโยชน์เพราะเงินมันยังอยู่ที่เราอยู่แต่มันก็ไปถึงเครื่องทางนละวคือเราสะสมเงินไว้เพื่อไปทำบุญนะนี่อยู่ที่ว่าถึงเวลาไปวัดจะเอาไปทำบุญหรือเปล่า mm hmm. ถ้าไปทาก็บุญก็จะสเร็จครบถ่วงบริบูรณ แต่ตอนที่เราใส่กระปุกไว้นี่มันยังสําเร็จแค่ครึ่งเดียวยังไปไม่ถึงบุญยังไม่สําเร็จถ้าหุงข้าวยังไม่สุกกาลังหุงข้าวอยู่ก็ต้องพอมันต้องหุงบรรยากาศข้าวมันจะสุกนะพอถึงเวลาไปว่าก็ต้องเอาเงินที่เราใส่กระปุกนี้ไปทําบุญทําทานตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้บุญมันก็ถึงจะสําเร็จเกิดประโยชน์ขึ้นมาเจ้าค่ะคุณลัคนาถามเข้ามาว่าต้องฝึกจิตอย่างไร เมื่อมีผู้เปิดเสียงเพลงดังรบกวนทุกเชา้าก็ต้องอยู่กับมันไปอย่าไปสนใจคิดว่าเป็นเสียงนกเสียงกาไปเราห้ามเขาไม่ได้หรือเหมือนเสียงฝนตกเมื่อกี้เนี่ยเราก็อยู่กันได้ใช่ไหมฝนตกหนักขนาดไหนแล้วก็พุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิของเราไปออได้ยินเสียงอะไรเราก็อย่าไปสนใจให้อยู่มีสติอยู่กับการภาวนาของเราไป เจ้าค่ะคุณจรัญญาขอถามเข้ามาอีกนะัดเจ้าค่ะว่าการดำเนินชีวิตย่อมเจออุปสรรคแต่โยมใช้หลักการที่ปฏิบัติรมคือผิดที่ตัวเราก่อนจากการอุปทานในขันห้าถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ะปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ความผิดของเราความผิดของเราคืออะไรคืการมาเกิดนั่นเองถ้าเราไม่มาเกิดเราก็ต้องไม่ไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์ต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ พระพุทธเจา บ, บอกการไม่เกิดน่นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ทุกข์ยังไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตาบใดายังมีการมาเกิดอยู่าดาบนั้นก็ยังต้องมาเจอความทุกข์ในรูปแบบต่างๆต่อไปเรื่อยๆเช้าคะ่ะมีคำถามเข้ามาว่าถ้าเรามีความทุกข์มากๆจากปัญหาต่างๆแต่เรา ไม่ทุกจากปัญหาที่กําลังเกิดเราปฏิบัติมาถูกทางไหมคะใช่ถ้าใจเราเฉยเฉยไม่เดือดร้อนกับปัญหาต่างๆก็แสดงว่าเราปฏิบัติถูกทางเราแยกใจเราออกจากปัญหาได้ไปล่อยให้ปัญหาเป็นเรื่องของปัญหาไปเรื่องของใจเราก็ต้องสงบไม่ไปทุกข์ไม่ไปเดือดร้อนกับเรื่องของปัญหาแก้ปัญหาได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็อยู่กําลังไป เจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะก็พอดีสมควรกับเวลาเลยก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเถธุ